ก้าพเจชาพระมหาภัยบณ์อาภิปุณโณจากวัดป่าดอนไายโสมาพบกับทํามบุฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้จะนำเรื่องราวที่เราอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาที่เขามักจะเล่ากันต่อๆมาพูดถึงน้ำมนต์ที่พระพุทธเจ้าเคยไปเสกน้ำมนต์เอาไว้ที่เมืองภัยาลีหรือมกง น, นก็จะเรียกว่า ไว้สาลีบ้างนจะเอาเรื่องราวตรงนี้มาให้ทำฝังได้ฟังกันว่าโอ้จริงๆที่ทำตรงนั้นเนี่ยแล้วมันได้ผลเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าน้ามันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นพุทธานุภาพหรือว่าเป็นอะไระจริงๆเป็นเรื่องราวเป็นผลของกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทำไว้ในการก่อนจากการที่ได้ไปเคยปรมน้าในเจดี ที่บูชาพระปัจเจกพระุทธเจ้กกบบาองค์หนึ่งพุทธเจ้าเราตอนนั้นเป็นปุถิสัตว์เกิดเป็นพรามณแล้วก็ได้ไปทําการบูชาแบบนี้ที่เจดีย์แห่งหนึ่งจึงสามารถที่จะไปแก้ปัญหาที่เมืองไวยซาลีนั้นได้แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของน้ำมนตเลยเรามาฟังเรื่องดั้งเดิมที่เป็นแม่บทของเรื่องราวที่เกี่ยวกับน้ำมนตที่เราจะได้ฟังมามีการสรุปข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไป ฟังตัวแม่บทนี้ให้ดีใ น, นวันต่อไปข้าพเจ้าจะนํามาสรุปให้นบูฟังได้ลองฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเมืองไพรซาลีในสมัยหนึ่งเมืองไพรซาลีได้เป็นเมืองมั่งคั่งกว้างขวางมีคนมากมายมีคนพลุกพล่านเมืองไพรซาลีนั้นมีขสัตริย์พลักันกรองราชสมบัติมาถึง 7,700 ร พระองค์ปราศาสต์เรือนยอดสำหรับเป็นที่ประทับสวนและสาวโบคกรณีสำหรับประทับพักผ่อนในวราชูทยานก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกันสมัยต่อมาเมืองภัยสาลีนั้นได้เกิดข้าวยากหมากแพงข้าวกลาเสียหายเพราะความหมดยาก คนขัดสนในเมืองไพศาลีนั้นได้ตายไปก่อนพวกอะมนุษย์ก็เข้าไปในเมืองเพราะกลิ่นซากศพของมนุษย์เหล่านั้นที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆคนก็ตายไปเพราะอะมนุษย์ก็มากเพราะซากศพเหม็นเนา่าจึงเกิดอหิวาตะกโรคขึ้นแกสัตว์ทั้งหลายสรุปแล้วมีไัยสามอย่าง คือภัยเกิดจากข้าวยากมากแพงหนึ่งภัยเกิดจากพวกหามนุษย์หนึ่งและภัยเกิดจากโรคอีกอย่างหนึ่ง้าเมืองประชุมกันกราบตูนพระราชาว่ามหาราชเมืองนี้เกิดภัยสามอย่างก่อนแต่นี้ตลอดเจ็ดชั่วกษัตรภัยเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นธรรมดาว่าในรัชการของพระราชาผู้ทรงธรรม ภัยเช่นนี้ย่อมไม่เกิดพระราชาจึงรับสั่งให้ประชาชนทั้งหมดประชุมกันในท้องพระโรงแล้วตรัสว่าถ้าว่ามีการครองราชโดยไม่เป็นธรรมท่านทั้งหลายจงตรวจตราดูข้อที่ไม่เป็นธรรมชาวเมืองภัยสาลีก็ตรวจดูประเพณีทุกอย่างไม่พบว่าพระราชาทำผิดในที่ใดจึงกราบตูนพระราชาว่า ข้าแต่มหาราชพระองค์ไม่ได้ทรงประพฤติผิดชาวเมืองจึงปรึกษากันว่าทำอย่างไรเนาะให้อของพวกเราจึงจะสงบบรรดานเหล่านั้นเมื่อบางพวกกล่าวว่าภัยอาจสงบได้ด้วยการทำปลีกรรมด้วยการบวงสวงด้วยการกระทำมงคลก็แต่ว่าพวกเขาได้ทำพิธีนั้นทั้งหมดก็ไม่สามารถระงับภัยได้ อีกพวกหนึ่งกล่าวกันอย่างนี้ว่าก็พวกครูทั้งหกมีอนุภาพมากเพียงเมื่อครูทั้งหกมาในที่นี้ภัยก็จะสงบอีกพวกหนึ่งก็กล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์เมื่อพระองค์เสด็จมาในที่นี้ ภัยเหล่านี้จึงจะสงบดังนี้ทุกคนก็เห็นด้วยกับคำพูดของพวกหลังจึงถามว่าเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่ไหนเหล่าตอนเจ้าเมืองภัยสาลีให้ไปตูนชินพระศาสดาก็ในเวลานั้นใกล้วันเข้าปรรษาพระศาสดาทรงรับคำปฏิญญา ของพระเจ้าพิมพิสารประทับอยู่นพระเวรวุวรรก็โดยสมัยนั้นเจ้าลิชาวีพระนามว่ามหาลิผู้บรรลุโสดาปติผลพร้อมกับพระเจ้าพิมพิสารในสมาคมแห่งพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งในบริษัทนั้นด้วยชาวเมืองไปศ า, าลีได้ตระเตรียมเครื่องบรรณาการใหญ่ ทรงเจ้ามหาลิลชชวีและบุตรของปุโรหิตไปด้วยสั่งว่าขอท่านทั้งสองจงขอพระบรมราชานุญาตพระเจ้าพิมพิสารทูลเชิญพระาศาสดามาเมืองนี้เจ้ามหาลิลชชวีและบุตรปุโรหิตเหล่านั้นไปถึงถาวายเรื่องบรรณาการแก่พระราชากราบทูลความเป็นไปนั้นให้ทรงทราบ แล้วอ้อนหมอนว่ามหาราชขอพระองค์ทรงส่ ง, รงพระศาสดาไปยังเมืองแห่งข้าพระองค์พระราชาจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจัดการเองเถิดแล้วก็ไม่ส่งรับเรื่องไว้ทั้งสองนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเมืองภัยสาลี เกิดภัยอยู่สามอย่างเมื่อพระองค์เสด็จไปภัยเหล่านั้นจะสงบเชิญเสด็จเติดพระชุก้าพระาศาสดาทรงสนับคัมมรัตนาแล้วทรงใครก่กรวนก็ทรงทราบว่าเมื่อเราสวดรัตนสูตรในเมืองภัยสาลีอาจยาจะแผ่ไปตลอดแสนโกรจักรวาลในเวลาจบประสูตรสัต แปดมนสี่พันจะรู้ธรรมภัยเหล่านั้นก็จะสงบดังนี้แล้วจึงทรงรับคำรัตนาของคนทั้งสองนั้นตอนพระศาสดาเสด็จเมืองภัยสาลีก็เมื่อพระเจ้าบิมพิาสารทรงสดับข่าวว่าพระศาสดาจะเสด็จไปเมืองภัยสาลีดังนี้แล้ว จึงรับสั่งให้ป่าวประกาศไปทั่วเมืองแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วส่งทูลถามว่าพระองค์ทรงรับการเสด็จไปเมืองไผ่สาลีแล้วหรือพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตอบว่าถูกต้องแล้วพระชา้าปิมิสารจึงได้ทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอจงทรงรอก่อนพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะตระเตรียมทางก่อน พระราชาจึงรับสั่งให้ปรับพื้นที่ห้าโยช์ระหว่างกรุงราชกฤตกับแม่น้ำโขงกาต่อกันให้ราบเรียบโยชหนึ่งโยชหนึ่งจะให้มีวิหารสำหรับประทับแล้วจึงกราบทูลว่าถึงเวลาควรเสด็จแล้วครั้นพระศาสดาเสด็จเดินทางกับภิกษุห้าร้อรูปพระราชารับสั่งให้โปรยดอกไม้ห้าสี สูงเพียงเข่าในระหว่างยอดหนึ่งยอดหนึ่งแล้วให้ยกธงชัยธงปืนผ้าและต้นกล้วยเป็นต้นให้กันสเบตชัดสองชั้นซ้อนสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้ากันสเบตชัดแก่ภิกษุรูปละกันรูปละกันพระราชาพร้อมกับข้าราชบริพารทรงทําบูชาด้วยดอกไม้ และของหอมเป็นต้นส่งราตนาพระาศาสดาให้ประทับอยู่ในวิหารแต่ละแห่งถวายมหาฐานแล้วให้เสด็จถึงแฝงแม่น้ำคงคาใช้เวลาห้าวันทรงตกแต่งเรือในที่นั้นแล้วส่งส่งข่าวไปบอกชาวเมืองไผ่ า, าลีว่าชาวเมืองไพ่ า, าลีเตรียมทางทำการต้อนรับพระาศาสดาเถิด ตอนชาวเมืองไพศาลีจัดการต้อนรับพระาศาสดาชาวเมืองไพศาลีคิดว่าเราจะทำการบูชาให้เป็นสองเท่านังนี้แล้วจึงปรับพื้นที่ประมาณสามโยชน์ระหว่างเมืองไพศาลีต่อกับแม่น้ำคงคาให้ราบเรียบแล้วตระเตรียมสเสบตชัด ซ้อนกันสี่ชั้นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าสำหรับพระภิกษุรูปลระสองชั้นทำการบูชาได้มาต้อนรับเสด็จอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าบิมพิสารทรงขนานเรือสองลำให้ทำลระปลาประทับด้วยพวงดอกไม้เป็นต้นปูราดพุทธาฏ สำเร็จด้วยแก้วทุกชนิดไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งบนพุทธอาจนั้นฝ่ายภิกษุกทั้งหลายก็ขึ้นเรือนั่งรายล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระราชาตามทรงเสด็จโดยลุยน้ําลึกถึงพระสอคือลึกถึงกอแล้วกราบตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจะอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคานีแลจนกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จกลับแล้วส่งเรือไปแล้วจึงเสด็จกึ้นพระาศาสดาเสด็จไปตามแม่น้ำคงคาระยะทางประมาณหนึ่งโยแล้วเข้าเขตของชาวเมืองไปสาลีจเจ้าลิชบีทั้งหลายทรงต้อนรับพระาศาสดา ลงลุยน้ำลึกถึงพระศอคือลึกถึงคอนำเรือเข้ายัางฝั่งเชิญเสด็จพระาศาสดาลงจากเรือพอพระาศาสดาเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝั่งแม่น้ำเท่านั้นมหาเมฆตั้งเขาทำให้ฝนบุกกระพัดตกลงั่วทุกที่น้ำท่วมถึงเข่าถึงอก ไลบ่บาพดพาเอาซากศพทั้งหมดตกลงแม่น้ำโคงกาพื้นแผ่นดินสะอาดแล้วเจ้าลิชบีทั้งหลายถูนให้พระศาสดาประทับอยู่ในระยะทางช่วงละโย์ถวายมหมาถ่านทำการบูชาให้เป็นสองเท้านำเสด็จไปสู่เมืองไพ่สาลีโดยใช้เวลาสามวัน ท้าวสักกะเทวราชห้อมล้อมด้วยหมู่เทวดาได้เสด็จมาเมื่อเทวดาผู้มีสักดาใหญ่ประชุมกันมนุษย์ส่วนใหญ่ก็หนีไปตอนน้ำมนต์แห่งพระปริษมีอำนาจมากในเวลาเย็นพระาศาสดาประทับยืนที่ประตูเมืองตรัสเรียกพระอานนท์เทระมาแล้ว รัตว่าอนอน์เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้แล้วไปกับเจ้าลิชวีกุมารสวดพระปริตในระหว่างกำแพงสามชั้นในเมืองไปสาลีน่านี้พระเจระเรียนรัตนสูตรที่พระาศาสดาประทานแล้วนำนำ้ำซึ่งใส่ลงในบาศิลาของพระาศาสดา ยืนอยู่ที่ประตูเมืองระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหมดตั้งแต่ทรงตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคือพระบารมีส0สล้วนคือบารมีสิบอุปบารมีส0บบารมัทธบารมีสิบมหาบริจาค5หริยะ3สามคือโลกัตถจริยาน่งยาตัตถจริยาน่ง พุท ธ, ธะจริยานึ่งการก้าวลงสู่คันในพบสุดท้ายการประสูติการเสด็จออกมาหาพี่เนศกรมการทรงบำเพ็ญเพียรการชนามานการแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานเหนือบรรลังต้นโพการย่างประธรรมจากให้เป็นไปและพระโลกรัรธรรมก้าวแล้วเข้าไปในเมืองส่วนพระปริศ ในระหว่างกำแพงทั้งสามตลอดสามยามแห่งราตรีพอพระเถระเริ่มสวดบทว่ายังกินจิเป็นต้นเท่านั้นน้ำที่สาดขึ้นไปก็ตกลงถูกพวกอามนุษย์ตั้งแต่กล่าวกาตาว่ายานีทะผูตานิเป็นต้นหยดน้ำเป็นราวกะบ้าเริดเงินพุ่งขึ้นในอากาศ แล้วตกลงมาผูกคนเจ็บป่วยคนหายป่วยทันทีทันใดลุกขึ้นตามพระเตระไปเมื่อพระเตระส่วนตั้งแต่บทว่ายังกินจิเป็นต้นประพรมน้ำไปอมนุษย์ที่ยังไม่หนีไปกราวก่อนที่อาศัยกองอยากเยื่อและส่วนแห่งฟ้าบ้านเป็นต้นเมื่อถูกหยดน้ำก็หนีไปทางประตูนโน้นบ้าง ประตูนี้บ้างจนประตูยัดเยียดเบียดเสียดเมื่อไม่มีทางออกก็พังกำแพงนี้ไปมหาชนประพรมสาลาที่ประชุมกลางเมืองด้วยของหอมทุกอย่างเบื้องบนผูกผ้าเพดานอันวิจิตรด้วยดาวทองเป็นต้นตกแต่งพุทธาธนษานำเสด็จพระศาสดามา พระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งแล้วทั้งภิกษุสงฆ์ทั้งหมู่เจ้าลิชบีก็นั่งรายล้อมพระาศาสดาอยู่ฝ่ายท้าสากาศเทวราชพร้อมหมู่เทวดาได้ประทับยืนในที่อันสมควรฝ่ายพระเทระที่ไปทั่วเมืองแล้วก็กลับมาพร้อมอาหาชนผู้หายจากโรค ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วก็นั่งลงพระาศาสดาตรวจดูบริษัทแล้วได้ตรัรัตนสูตรนั้นซ้ำอีกในเวลาจบเทสนาสาปนสี่พัน 4, ได้บรรลุธรรมพระาศาสดาทรงแสดงรัตนสูตร น, นแล้วซ้ำตลอดเจดวันถึงแม้ในวันรุ่งขึ้นก็ทรงแสดงอย่างนั้นทรงทราบว่า ภายั้งปวงสงบแล้วจึงบอกลาหมู่เจ้าลิชวีเสด็จออกจากเมืองภัยสาลีเจ้าลิชวีทั้งหลายทรงทำสการะเป็นตวีคูนนำเสด็จพระาศาสดาไปสู่ฝั่งแห่งแม่น้ำคงคาใช้เวลาสามวันเช่นเดิมตอนพวกพญานาคทำการบูชาพระาศาสดา เ่าพญานาคที่เกิดในแม่น้ำคงคาคิดว่าพวกมนุษย์ทำสการะแต่พระธถาคตพวกเราจะทำอย่างไรพญานาคเหล่านั้นจึงเนรมิตรเรือทองคำเรือเงินและเรือแก้วมณีจะตั้งบัลลังก์ทองคำบัลลังก์เงินและบัลลังก์แก้วมณีทำน้ำให้ดาดาษดด้วยดอกบัวห้าสี แล้วทูลนรัตนาพระาศาสดาให้เสด็จขึ้นเรือของตนของตนด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงทำการอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ได้เถิดเมื่นอนี้แล้วทั้งมนุษย์และนาคตั้งทำการบูชาพระตจตากฏเทวดานับแต่เทวดาผู้สถิตนาภาคพื้นจนถึงปรมโลก ฉันอาการนิทะคิดว่าพวกเราจะทำอะไรนอะดังนี้ตั้งก็ทำสักการะในพวกคนและอมนุษย์เหล่านั้นพวกนาคยกชัดซ้อนๆอนกันขึ้นสูงหนึ่งยอดชัดที่ซ้อนๆอนกันเป็นอย่างนี้คือนาคตั้งชัดไว้ที่แม่น้ำมนุษย์ที่พื้นดินภู ม, มะเทวดาที่ต้นไม้ ก่อไม้และผูเขาเป็นต้นอากาสัตตะเทวดาตั้งชัดไว้ที่กลางหาวสรุปแล้วตั้งต้นแต่พบนาตลอดถึงปรมโลกโดยรอบจักรบาลในระหว่างชัดมีธงชัยในระหว่างธงชัยมีธงแผ่นผ้าในระหว่างธงเหล่านั้นได้มีเครื่องสักการะมีพวงดอกไม้ จุนเครื่องอกและทูบเป็นต้นเราเทพบุตรแต่งกายเต็มที่แปลงตัวเป็นคนธรรมดาเล่นหมอรสพร้องรำไปทางอากาศก็รีนว่าสมาคมคือการชุมนุมใหญ่ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้มีเพียงสามครั้งเท่านั้นคือสมาคมในเวลาแสดงยมกะปาฏิหารหนึ่ง สมาคมในเวลาเสด็จลงจากเทวโลกนี้อันหนึ่งและสมาคมในเวลาเสด็จทางแม่น้ำคงคานี้อีกอย่างหนึ่งตอนพระเจ้าพิมพิสารให้เตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าอีกพระเจ้าพิมพิาสารทรงตรัสเตรียมสาการะให้เป็นสองเท่าจากสาการะที่พวกเจ้าลิชวีทา ได้ส่งยืนคอยการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรการบริจาคใหญ่ของพระราชาในสองฝั่งแม่น้ำคงคาและทรงทราบอัตยาใส่ของพวกนาเป็นต้นจึงเนรมิตพระพุทธเนรมิตพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งมีภิกษุ500รรูปเป็นบริวาร ไว้บนเรือแต่ละลำพระพุทธเนรมิตรนั้นรายล้อมด้วยหมูหนาประทับนั่งอยู่นะภายใต้สเสวตชัดแต่ละกันและใต้ต้นกรลับประพฤกษ์และพวงระเบียบตอกไม้แม้ฉันที่อยู่ของเทวดามีเทวดาผู้สด็จอยู่ตามภาคปืนเป็นต้นก็ทรงเนรมิตรพุทธเนรมิต พร้อมบริบาลไวแห่งละพระองค์ห้องจั ก, กรวาลทั้งหมดเป็นประหนึ่งว่ามีมหรสพมีการเล่นเป็นันเดียวด้วยประการชนิดแล้วและเพื่อจะทรงทำการอนุกราพวกหน้าพระาศาสดาได้เสด็จขึ้นสู่เรือแก้วลาหนึ่งฝ่ายพภิกษุแต่และรูปก็ขึ้นนั่งบนเรือลาหนึ่งลาหนึ่งเหมือนกัน พญานาคทั้งหลายนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปยังภพนาคฟังธรรมกถาจากพระศาสดาตลอดคืนรุ่งขึ้นจึงอังค า, าดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของขวนเคียวของขวนฉันอันเป็นทิพย์พระศาสด า, สดาทรงทำอนุโมทนาแล้วเสด็จออกจากภพของนาค อันเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นบูชาอยู่ทรงข้าแม่น้ำคงคาด้วยเรือ500ห้าร้อยลำพระเจ้าปิมพิาสารทรงต้อนรับทูลเชิญพระสัสดาลงจากเรือทรงทมสักการะให้เป็นสองเท่าของสักการะที่เจ้าลิชวีทมในตอนเสด็จมานำพระสัสดา กลับสู่กรุงราชกฤชใช้เวลาห้าวันโดยนัยาก่อนนั่นแหละตอนพวกภิกษุชื่นชมพุทธานุภาพในวันถัดมาพวกภิกษุกลับจากบินบาทในเวลาเย็นนั่งประชุมกันในโรงธรรมสนทนากันว่าน่าสะใจจริงองนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าประหลาดใจ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสในพระศาสดาจริงๆพระราชาสองเมืองทรงให้ปรับหนทาง8โยอดจากสองฝั่งแม่น้ำคงคาแต่คนละฝั่งเกลี่ยทรายลาดดอกไม้มีสีต่างๆสูงถึงเข่าด้วยความเลื่อมใสหนักแน่นในพระพุทธเจ้าน้ำในแม่น้ำคงคาก็ดาดด้วยดอกบัวห้าสีด้วยอนุภาพของนาค เอวดาก็ยกจัดซ้อนๆกันขึ้นตลอดถึงอกติทพพบห้องจักรบาลทั้งหมดเป็นเหมือนประดับด้วยเครื่องประดับเดียวกันและมีหมอรศศ์เดียวกันดังนี้พระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสตามว่าภิกษุทั้งหลายขณะนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทราบแล้วจึงตรัสกลิ้นว่า ภิกษุทั้งหลายเรื่องบูชาและสักการ้านี้มิได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยพุทธานุภาพมิได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของนาคและเทวดาและพรมแต่เกิดด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคเพียงเล็กน้อยในอดีตเมื่อพวกภิกษุทูลให้ตรัสเล่าแล้วพระสงฆ์จะขยายความข้อ น, นั้น จึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังนี้ว่าเรื่องสุสีมะมานพในอดีตการได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะอยู่เมืองตะกศิลาเขามีบุตรคนหนึ่งชื่อสุสีมะเป็นมานพคือเป็นชายหนุ่มอายุย่างเข้าสิบกปีในวันหนึ่งสุสีมะมานพนั้น เข้าไปหาพระปิดาแล้วกล่าวว่าพ่อผมอยากไปเรียนมนตที่เมืองพาราณสีปิดาจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นมีพรามชื่อนอนเป็นสายของพ่อเจ้าจงไปหาเขาแล้วเรียนกับเขานะดังนี้สุสีมะมานพรับคำแล้วเดินทางไปถึงเมืองพาราณสีโดยลาดับ ก็ไปหาปรามนั้นแล้วบอกว่าบิดาสั่งให้มาดังนั้นพรามจึงรับเขาไว้ด้วยคิดว่าเป็นลูกของเพื่อนดังนี้เมื่อเขาพักหายเหนื่อยแล้วได้วันดีจึงเริ่มบอกมนแกมานพนั้นสุสีม้าหมานพเรียนได้เร็วด้วยเรียนได้มากด้วยจำมนที่เรียนแล้วเรียนแล้วได้ไม่หลงลืม เราก็ว่าน้ำมันราชสีที่เขาเถไว้ในภาชนะทองคำไม่นานนักก็เรียนมนที่ต้องเรียนจากปากอาจารย์ได้หมดเพราะสาธยายเห็นแต่เบื้องต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะที่เรียนมาแต่ไม่เห็นที่สุดเขาจึงเข้าไปหาอาจารย์แล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเห็นแต่เบื้องต้น และท่ามกลางแห่งศิลปะนี้เท่านั้นไม่เห็นที่สุดนันี้อาจารย์จึงกล่าวว่าพ่อฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันสุสีมะหมานบจึงถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์แล้วใครรู้ที่สุดแห่งมนนี้เมื่ออาจารย์กล่าวว่ามีฤาษีอยู่ในป่าอีสีปตนะฤาษีเหล่านั้นอาจจะรู้ก็ได้ เจ้าจงไปหาท่านแล้วถามเองเถิดดังนี้เมื่ออาจารย์กล่าวดังนี้สุสีมะมานบจึงเข้าไปหาฤาษีคือพระปัจเจกขบุระเาเหล่านั้นแล้วถามท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าทราบว่าพระคุณท่านรู้ที่สุดแห่งศิลปะอย่างนั้นหรือพระปัจเจกขบุระเจ้าทุรนปอนพวกเรารู้อยู่สุสีมะ ม, มานบ ถ้ากระนั้นขอจงบอกกระผมด้วยพระปัจเจกบุทรเจ้กกบบาเราไม่บอกแก่คนไม่บวชถ้าท่านอยากรู้ที่สุดแห่งศิลปะก็บวชสิสุสีมาหมานพนั้นรับคําแล้วได้บวชกับพระปัจเจกบุตรเจ้กกบบาเหล่านั้นต่อมาพระปัจเจกบุตรเจ้กกบบาบอกแก่สุสีมาเรนบ่าเธอจงศึกษาข้อนี้ก่อน แล้วบอกอภิสมาจาริกวัตรโดยนัยเป็นตนว่าพึ่งนุ่งอย่างนี้พึ่งห่มอย่างนี้สุสีมะศึกษาอยู่ในอภิสมาจาริกวัตนั้นเพราะความที่ตนมีอุปนิสัยพร้อมไม่นานนักก็ได้ตรัสรู้ปัจเจ ก, กสมโภฏิยานเป็นที่รู้จักดีทั่วเมืองบาลนสีเป็นราวกับว่าพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นในท้องฟ้า ได้ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบและเลิดด้วยยศไม่นานนะักท่านก็ได้ปรินิพาน์เพราะทำกรรมซึ่งให้ผลเป็นคนมีอายุน้อยที่นั้นพระปัจเจ ก, กพุทชาติทั้งหลายพร้อมประชาชนได้ทำสรีรกิจของท่านแล้วนำธาตุไปสร้างเป็นสถูปเก็บไว้ใกล้ประตูเมือง ฟายสังขบ า, ามคิดว่าลูกของเราไปนานแล้วยังไม่กลับเราน่าจะรู้ข่าวกราวของเขาหนังนี้สังขบ า, ามอยากจะไปเยี่ยมลูกจึงออกจากเมืองตักศิลาเดินทางไปถึงเมืองปารณาณสีโดยลำดับเห็นหมู่มหาชนประชุมกันก็จึงคิดว่าในคนเหล่านี้คงมีสักคนหนึ่ง ที่รู้ข่าวคราวลูกของเราเป็นแน่ดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาเขาและถามว่ามานบชื่อสุสีมะมาที่นี่ท่านทราบข่าวคราวของเขาบ้างไหมมาชนตอบว่าพรามเรารู้คือสุสีมามานบนั้นเรียนไตรเพศในสำนักของพรามชื่อนน้นบวชแล้วทำให้แจ้งซึ่งปัดเจ ก, กโพธิญาณ ประดนนี้ผ่านแล้วนี้เป็นสตูปที่เราสร้างให้ท่านดังนี้สังกะปรามนั้นเมื่อได้ยินล่าวนั้นแล้วเอามือทุบพื้นดินรำให้กรํากรวนเดินไปยังลายพระเจดีย์ถอนหญ้าทิง้งเอาพระห่มขนสายมาเกลี่ยลงที่ลานพระเจดีย์ประปรมด้วยน้ำในลกจันบูชาด้วยดอกไม้ป่า ยกธงแผ่นผ้าที่ทำด้วยผ้าสาดกผูกร่มของตนไว้บนยอดสถูปแล้วก็หลีกไปตอนอันนี้สงแห่งการบริจาคความสุขพอประมาณประศาสดาได้ทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าพิกิุทั้งหลายในครั้งนั้นเราได้เป็นสังกัปราม ด้วยผลกรรมที่เราได้ตอนย่าในลานพระเจดีของพระปัจเจกกระบอกเจ้กกบบชาชื่อสุสีมะชนทั้งหลายจึงปรับทาง8โยตให้ราบเรียบมีพื้นเสมอกันปราศจากตอและหนาด้วยผลกรรมที่เราเกลีย่ยทรายลงที่ลานพระเจดีย์ชนทั้งหลายจึงเกลีย่ยทรายลงในหนทาง8ปดโยด์ ด้วยผลกรรมที่เราทําการบูชาด้วยดอกไม้ปา่าที่สตูปนั้นชนทั้งหลายจึงโปรย ด, ดอกไม้สีต่างๆลงในขนต่าง8โยชน้ำไหนแม่น้ำคงคาที่ประมาณหนึ่งโยชนึงดาดาดไปด้วยดอกบัวห้าสีด้วยผลกรรมที่เราได้ประปรมพื้นที่ลานพระเจดีย์ด้วยน้ำไหนละกะจันฝนโบกรพั จึงตกลงในเมืองไภาสาลีด้วยผลกรรมที่เราได้ยกธงแผ่นผ้าขึ้นและปลูกร่มไม้บนพระเจดีย์นั้นห้องจักรบาลทั้งสิ้นจึงเป็นราวกับ ว, ว่ามีมหรสบเป็นนันเดียวกันด้วยรงชัยและรงพื้นบ้าและฉัดซ้อนๆอนกันเป็นต้นตลอดถึงอกนิตภพบผีษสื้ลายประเหตุ ด, ดังนี้แลการจักรรักด้วยการบูชา เกิดขึ้นแกเราด้วยพุทธานุภาพก็หาไม่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งนาคเทวดาและพรหมก็หาไม่แต่ว่าเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคมีประมาณน้อยในอดิตการดัง น, น, นี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคถานี้ว่าถ้าผู้มีปัญญาเห็นสุขันภายบุญ จงสละสุขเล็กน้อยพึงละสุขเล็กน้อยนั้นเสียเพื่อจะพบสุขอันไพยบุญบาลีว่ามาตาสุขะปริจาาาเเจาคาปัดเสเจวิปุลังสุขังจะเชมาตาสุขังตีโรซ้ำปัดสังวิปุลังสุขังก็ในเวลาจบเทศนะคนจำนวนมาก ได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องบรุรพกรรมของพระองค์คืออัตโนปูภากรร ม, มะวัตถุ